พะเมื่อมีจิตใจเป็นสมาธิตั้งมั่นอย่างนี้แล้วก็มัวเมาถึงความประมาทเพราะความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นก็เป็นผู้ประมาทเมื่อประมาก็ย่อมอยู่เป็นทุกข์เนี่ยนะเพราะอย่างเพราะอะไรเพราะยังไม่พ้นจากทุกข์ในวัตตะไปได้เลยอันนี้ทันี้ก็เท่ากับขึ้นรถผลัดที่เท่าไรขึ้นรถผับที่สองเนี่ยนะอ น, นะ รถผัดแรกคือศีลรถถัดที่2ก็คือสมาธิเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าต่อจริงๆมันต้องต่อรถเจ็ดสายใช่ไหมมันจึงจะไปพ้น่ะนะพอไปถึงสายที่2ขึ้นสายที่2ได้ก็พอแล้วสบายแล้วไม่ต้องไปไหนแลว้วเนี่ยนะอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยนะก็เท่ากับอยู่สาย2เหือ น, นนถะนะไม่ได้ไปถึงโน่นะ่ะไม่ถึงอริยมรรคอะไรหรอกเนี่ย ดูกอนพิสูจทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการด้วยแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ละเลยแก่นละเลยกับพี่ไปเสียถือเอาเปลือกแต่นะถากเอาเปลือกถือไปสำคัญว่าแก่นเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญามีจักสุเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้เลยใช่ไหม กล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ไม่รู้จักแก่นไม่รู้จักกระพีไม่รู้จักเปลือกไม่รู้จักสะเก็ดไม่รู้จักกิ่งและใบจริงอย่างนั้นบุรุษผู้เจริญนี้มีความต้องการด้วยแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ละเลยแก่นละเลยกระพีไปเสียถากเอาเฉพาะเปลือกถือไปสําคัญว่าแก่นกิ่ดที่ จะเพื่อทาด้วยไม้แก่นของเขาจากไม่สําเร็จประโยชน์แก่เขาฉันใดบางพวกบุรุษผู้ที่หรือบุกบุรุษ บ, บ, บ, บางคนที่ออกมาบวชในศาสนานี้เหมือนกันใช่ไหมบวชมาแล้วเนี่ยนะจนได้ประสบความสําเร็จแค่บวชบางคนนี่แหมถือว่าได้ตัวเองได้มาบวชนุ่งเหลืองห่มเหลืองนี่ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะบางคนนี่เขาดีใจหยุดอยู่เท่านั้นนะอย่างเช่น บ, บางที บวชพอบวชตอนมีอายุมากสักหน่อยหนึ่งนะโอ้ยได้บวชก็เป็นบุญของเราแล้วได้นุ่งเหลืองห่มเลี้ยงถ้าในการที่เรามีผ้าเหลืองห่มเลืองนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วสวรรค์เบื้องหน้ายังเดียวอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ดีใจอยู่เฉพาะได้ผ้าเหลืองห่มกายก็ว่าได้ผ้ากาสาวพัดผ้ า, ผาย้อมน้ําฝาดห่มกายส่วนที่เหลือไม่ต้องการรู้ไม่รับรู้ขอให้ฉันได้อยู่วัดห่มเหลื้ยงเป็นใช้ได้เหมั้นกันนะ ลมที่เพราะฉะนั้นบางเนี่ยก็เรียกว่าได้แค่จีว น, น่ยนะลาบระดับแค่ได้จีว น, น่นะบางพวกก็สูงกว่านั้นมีชื่อเสียงมียศมีตำแหน่งมีสการะเป็นเจ้าเจ้าอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะเจ้าอาวาสเป็นต้นก็ว่ากันไป ทีนี้พอบางคนก็โอ้ยหยุดอยู่แค่นั้นก็ถือว่าสุดยอดแล้วบางคนบอกโอ้ยไม่ใช่หรอกแค่นี้ไม่ใช่หรอกแล้ก็ทําศีลให้บริบูรณ์ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยจนสามารถรักษาศีลได้ก็ดูถูกคนอื่นว่าเออคนอื่นมีศีลไม่เใช่ไม่เท่าเราบางคนก็บอกโอ้ยศีลแค่ศีลจะไปสูงได้ยังไงก็พระพฤทธปฏิบัติจนได้ สมาธิเพราะได้สมาธิก็บอกโอ้ยสุดยอดแล้ววัดเรานะั้มันวัดสมาธิเนี่ยนะเป็นวัดปฏิบัติก็สรรเสริญว่านากักปฏิบัติอยู่นั่นแหละไปที่ไหนก็ยกย่องมาเราคือนะปฏิบัติเพราะเรามีจิตสงบตั้งมัน่นเนี่ยนะเป็นสมาธิก็เลยยกตนคมอื่นคนอื่นมันฟุ้งซ่านหมดแหละเราสงบอยู่คนเดียวเนี่ยนะในที่สุดก็ประมาทมัวเมาเนี่ยนะเมื่อประมาทมัวเมาก็อยู่เป็นทุกข์เนี่ยนะไม่สามารถประสบความสําเร็จ พรหมจันทร์ในพระศาสนานี้ได้ไม่สามารถเข้าถึงเก่ฑ์แท้แห่งพรหมจันทร์เพราะไปะหยุดอยู่แค่สมาธิมักมีองแปดเนี่ยนะคือบางพวกเนี่ยได้เจริญสัมมาวาจาเจริญสัมมากรรมตะเจริญสัมมาอาชีวะพวกนี้ถือว่าพอแล้วบางพวกระดับหนึ่งบอกโอ้ยสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เพียงพอแล้วเนี่ยนะพอได้สมาธิก็อพอแล้วคืออารยมักเนี่ยมันจะเอาอันใดอันหนึ่งหยุดอยู่แค่อันใดอันหนึ่งไม่ได้ อริยมรรตต้องปริบูรณ์ครบด้วยองแ8ต้องเจริญอริยมรรตอันประกอบไปด้วยองค์8จึงสามารถทำที่สุดแห่งทุกได้ไม่ใช่ไปได้อันใดอันหนึ่งแล้วก็ปอกพอแลว้วพอแลว้วมันไม่พอโรคเนี่นะทีนี้พวกที่4ี่พวกนี้เก่งกว่าพวกนั้นเยอะพวกนี้มีบุญมากกว่านั้น ข้อ350ดูก่อนพิสูนทั้งหลายกลุ่มบทบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนไม่มีเรือนบวช ด, ด้วยศรัทธามีความคิดว่าเรานี้ผู้อัญชาติชารามรณโาโศกะปริเทวทุกขโทมนัตอุปายาตครอบงำแล้วถูกความทุกข์ท่วมทับแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วฉะนั้นหนอความกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ เรียกว่าตั้งใจดีเจตนาลมที่ดีเยี่ยมเหมือนนพอเขาบวชมาแล้วอย่างนั้นยังลาบสการะลาบสการะความสันเสริญให้บังเกิดขึ้นเขาไม่มีความยินดีไม่มีความปรารถนาหรือความปรารถนายังไม่เต็มเปี่ยมหยุดอยู่ด้วยแค่ลาบสการะสันเสริญอันนั้นเขาไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะลาบสการะและความสันเสริญอันนั้นเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่มัวเมาไม่ถึงความประมาท เพราะลาบและสักการะสรรเสริญ น, นั้นเมื่อไม่ประมาทอย่างนี้ก็ยังความถึงพร้อมแห่งศีลให้สำเร็จเขามีความยินดีด้วยความถึงพร้อมแห่งศีลนั้นแต่มีความปรารถนายัางไม่เต็มเปี่ยมเรียกว่ายังไม่สมความปรารถนาอย่างแท้จริงเพราะนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความถึงพร้อมแห่งศีลเมื่อเขาไม่มัวเมาก็ไม่ถึงความประมาทเมื่อไม่ประมาทเนี่ยนะ ไม่ประมาทก็ยังความถึงพร้อมแห่งสมาธิให้สําเร็จได้เขามีความยินดีถึงพร้อมแห่งสมาธิอันนั้นแต่ก็ยังไม่สมความปรารถนาบอกยังแค่สมาธิจิตสงบตั้งมั่นยังไม่พอหรอกว่างั้นเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความถึงพร้อมแห่งสมาธิอันนั้นก็เลยไม่มัวเมาไม่เมื่อเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็สามารถเอาสมาธินั่นแหละเป็นบาทยังที่ประจักษ์สุให้ สำเร็จแค่เรียกว่ายานทัศนะคือที่พระจักสุกก็กลายเป็นผู้ที่ระลึกชาติได้เนี่ยนะพิจารณาเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายแค่เรียกว่ามีตาทิพและกันเนี่ยนะมีตาทิพอันนี้ก็ดูโน่นดูนี่แล้วกันนะนะพอมีตาทิพแล้วไปดูอะไรดีกันเนี่ยดูดูสถานที่ที่ตรงนี้สร้างดีไหมตรงนี้ก็กลายเป็นว่าจบวิชาดูที่นะดูที่มั่งดูโน่นมั่งดูนี่มั่งดูเห็นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ มันเขาก็เลยมีความน้ำฤตเต็มเปี่ยมด้วยว่าตัวเองนี่มีบุญหนักนะมีอภิญยามีตาทิพต์เนี่ยนะกลายเป็นว่าหลวงพ่อตาทิพต์แล้วก็นี่ก็หยุดอยู่แค่ตาทิพต์นั่นน่ะนะทิพต์จริงทิพต์ปลอมหรือฝันเอาก็ปาก็ไม่รู้แหละคันเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนจริงๆอันนี้เรียกถือว่ามีตาทิพต์จริงๆแหละเ น, นะหังจาก น, นี้ก็นั่งคุยกับเทวดาได้แล้วเป็นต้นเพราะนั่งคุยกับเทวดาเป็นต้นมันเขาก็เลยยกตนข่มผู้อื่นว่าเรารู้เราเห็นเราเห็นไปหมดเนี่ยนะ ใครจะอยู่ที่ไหนอย่างไรบนดินบนอากาศท้องฟ้าหมหาสมุทรทะเล น, นะนะภเขาลึกขนาดไหนกระวมมองกระวมมองเห็นเทวดานรกเปรตอสูรกายเห็นไปหมดเลยเรารู้เราเห็นแต่ภิกษุ น, นอกนี้ไม่รู้ไม่เห็นแม่แต่ปีศาจคลุกฝุ่นนั่งอยู่ข้างๆก็ยังมองไม่เห็นอ่างนั้นนะนะกระรับผีเปรตธรรมดาเล็กๆน้อยๆธรรมดาหยาบๆก็ยังมองไม่เห็นระดับเรานี่เห็นใครบ้างนู่นเห็นนู่นเห็นไกลเห็นเท้ามหาพรหมเป็นต้นนะนะ มันก็เลยมัวเมาประมาทเพราะอยางทัศ น, นะนั้นเพราะถึงก็ถึงมีตาทิพแล้วใช่ไหมโอ้พิเศษนะมีตาทิพเนี่ยนะเพิ่นเมื่อมีตาทิพอย่างนั้นแล้วก็เป็นผู้ประมาทพอเป็นผู้ประมาทแล้วก็ย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะยังไม่พ้นจริงๆเนี่ยนะ ดูก่อนพี่สู่ทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการด้วยแก่นไม้แสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่ที่มีแก่นตั้งอยู่ละเลยแก่นไปเสียถากเอากับพีถือไปสำคัญว่าเป็นแก่นแต่ก็เกือบจะใกล้ถึงแก่นแล้วนะแต่ก็ไม่ใช่แก่นเพราะฉะนั้นบุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาผู้นั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ไม่รู้จักแก่น ไม่รู้จกักกระพาะไม่รู้จักเลือกไม่รู้จักสะเก็ดไม่รู้จักกิ่งจากใบอย่างแท้จริงเพราะอะไรเพราะเขาเนี่ยมีความต้องการด้วยแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้เที่ยวสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ ที่ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ละเลยแก่นถากเอาจากกะพี้ถือไปสําคัญว่าเป็นแก่นกิจที่พึงทําด้วยไม้แก่นของเขานั้นไม่สําเร็จประโยชน์แก่เขาฉัน้นใดบางพวกก็เหมือนกันเพอได้บวชเข้ามาแล้วก็ไม่ติดอยู่ในลาบสการะไม่ติดอยู่ในศีลไม่ติดอยู่ในสมาธิแต่ก็ไปติดอยู่ที่ญาณทัศนะก็นะอบอกว่าโอ้ยสมความปรารถนาแล้วได้อภิญญาแล้วเนี่ยนะพอตัวเองได้อภิน ญ, ญาก็ถือเรียกว่าประสบความสําเร็จเนี่ยนะแต่จริงๆก็ยังไม่ สำเร็จเนี่ยเรียกว่าได้ระดับหนึ่งนะถ้าเป็นรักษาโรคก็รักษาจนบรรเทาอาการได้แล้วเนี่ยนะไม่รู้สึกเจ็บป่วยแต่ว่าเชื้อ ย, ยังไม่ยังไม่สนิทเนี่ยนะยังกําจัดพิษภัยโรคยังไม่ได้แต่ว่าอาการเนี่ยดูภายนอกจอกัดแบบเออนี้ไม่ป่วยหายแล้วหายแล้วแต่พิษยังอยู่พอพิษยังอยู่เข้าไม่รักษาให้หายขาดจริง ก็ไปบริโภคอาหารแสลงเป็นต้นเข้าบริโภคอาหารแสลงเข้าโรคภยัยทั้งหลายก็ครอบงำท่วมทับย่ายีอยู่นั่นแหละก็เลยเป็นทุกข์ต่อไปเพราะโรคที่ไม่หายขาดเนี่ยนะอย่างเช่นมาลาเรียที่รักษาไม่หายขาดเนี่ยนะก็ ว, ว่าดูจนดูธรรมดาภายนอกเป็นปกติก็ไม่สนใจก็ไม่ใช้ยาแล้วพอเมื่อไม่ใช่ไม่สนใจไม่ใช้ยาในที่สุดเนี่ยตอนหลังมาลาเรียก็มาลาเรียก็ขึ้นสมอง เป็นต้นเนี่ยครั้นี้ก็หมดสภาพและฉันใดผู้ที่ศึกษาธรรมทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าหากว่าไปถึงได้ระดับอภินยาแล้วก็ไม่ได้แ่าแปลว่าประสบความสำเร็จที่แท้จริงเพราะเชื้อมันยังไม่สนิทเพียงแต่บรรเทาอาการไปชั่วระยะหนึ่งเรียกว่าข่มโรคด้วยวิขำพนะปะหารด้วยสมะถะเท่านั้นเองเนี่ยนะคือว่ายังไม่สิ้นสุดเนี่ยนะพวกนี้ได้อภิญญาเนี่ยนะพวกนี้ได้อภิญญากลุ่มสุกลุ่มต่อไปอีกดูความพิสูจทั้งหลาย คนบทบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนไม่มีเรือนบวช ด, ด้วยศรัทธาคิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชารามรณะโศกปริเทวทุกโทมนณะอุปาญาตครอบงำแล้วถูกความทุกข์ท่วมทับแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วทำไงหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้จะพึงปรากฏคัดได้เขาก็เลยบวชพอบวชแล้วก็สามารถทาลาบสการะสรรเสริญให้ เกิดได้ลาบสการะสันเสริญก็บอกว่านี่ไม่ใช่สมความไม่ใช่ความปรารถนาของเราไม่ใช่ความตั้งใจที่แท้จริงของเราเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะลาบสการะชื่อเสียงและสันเสริญอันนั้นเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็สามารถทำศีลให้ถึงพรเมื่อมีศีลแล้วก็บอกว่าก็ยินดีในศีลนะแต่ศีลไม่ใช่ความปรารถนาของเราเนี่ยนะก็เลยไม่ประมาทมัวเมาเมื่อไม่ประมาทมัวเมาก็ทา สมาธิให้เกิดเมื่อได้สมาธิก็ยินดีในสมาธิแต่บอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอย่างสูงสุดที่แท้จริงเพราะฉะนั้นก็เมื่อไม่ประมาทก็สามารถที่จะทำญาณทัศนะคืออภิน ญ, ญาให้เกิดขึ้นได้เมื่อได้อภิน ญ, ญาอย่างนี้แล้วเขามีความยินดีอยู่ด้วยอภิญญาคือญาณทัศนะแต่ยังไม่สมความปรารถนาะเขาบอกไม่ใช่เขาไม่ได้ต้องการหยุดอยู่เท่านี้ ก็เลยไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะยานทัศนะเขาจึงไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาทเพราะไม่ประมาทในยาณทัศนะนั้นก็ยังสมยาวิโมกให้สำเร็จเกิดขึ้นพวกนี้ก็ได้สมาบัตแปดส ม, าสมายาวิโมกเป็นชื่อของสมาบัตแ8ประพฤติปฏิบัติจนได้สมาบัตแ8ดเนี่ยนะรูปปัจจานสี่อรูปปัจจานสี่เนี่ยนะอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ พระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุนั้นจะพึงเสื่อมจากสมยวิมุตินั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ปฐมฌานก็เสื่อมเป็นทุติยฌานตาติยฌานรูปฌานอรูปฌามันเสื่อมเป็นทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นไอการที่สิ่งเหล่านี้จะต้องเสื่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เช่นข่ายพระเทวทัตน์เนี่ยพระเทวทัศ์เนี่ยได้อภิญญาหสมาบัติ8ดนะแล้วก็ทรงพระไตรปิฎกด้วยจริงๆก็แม้แทบจะสุดยอดเลยใช่ไหม แต่ว่าเนื่องจากเสื่อมเช่นพระเทวกรณีพระเทวทัตน์นี้เสื่อมที่เสื่อมเพราะอะไรเพราะอยากตัวเองนี่อยากจะขึ้นตําแหน่งพระพุทธเจ้าเนี่ยอยากเป็นพระพุทธเจ้าอยากบริหารภิกษุษสงฆ์ด้วยลําพังตัวเองเนี่ยนะก็เลยในที่สุดก็เสื่อมเนี่ยนะพอจิตตุ บ, บาทแข็งดีพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละก็เลยเสื่อมจากคุณธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพระเทวทัตก็กรณีที่กรณีพระเทวทัตเนี่ยจริงๆแล้วพระเทวทัศตที่เสียหายเพราะเหตุ เหตุผลหลายประการเลยนะหนเพราะพระเทวทัตถูกลาดสการะครอบงำจิตอันดับหนึ่งอย่างที่สองคือคบเพื่อนชั่วเนี่ยนะคบเพื่อนชั่วเพราะมีคนชั่วเป็นมิตรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเหตุผลสองประการถูกลาดสการะครอบงำแล้วก็มีกุลสื่อที่ไม่ดีนะนะอะไรนะผู้ชี้แนะที่ไม่ดีคือใครคือพระโกกาลิกะเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคบพระโกกาลิกะคบคนชั่วเป็นสหายคบคนที่ถือเอาลาดสการะสันเสริญเป็น เป็นหลักเนี่ยนะพวกนี้ก็โอยป้อยอ น, นี่นแหละก็พวกสอพลอทั้งหลายเลยเนี่ยนะก็เลยพระเทวทัศน์นั้นําำอ่าคืออะไรนะตัวเองได้มีจิตใจหมกมุ่นลุ่มหลงอยู่ในลาบสการะแล้วก็มีบริวารแต่ละคนนี่สอพลอทั้งนั้นเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมีบริวารที่สอพลอนะนะแล้วก็จิตใจตัวเองหมกมุ่นอยู่ในลาบสการะมักใหญ่ใยสูงทะเยอทะยาน ไม่ใช่ด้วยกุศลนะเยอทะยานด้วยอำนาจลำพองด้วยอำนาจมานะบ้างด้วยอำนาจริษยาเป็นต้นบ้างในที่สุดก็เสื่อมหายในที่สุดก็ทําความชั่วหลายประการสรนเสริญการฆ่าพระเจ้าพิมพ์พิสารให้พระเจ้าอาชาติศัตรูฟังอันนี้ก็เป็นบาปสนักสถานที่หนึ่งแต่ไม่ถึงอนันตรียกกรรมเยลยก็ถือว่าหนักหนาสาหัสเหมือนกันสถานที่สองทำ น, นะวางแผนให้ นายขมังธนูไปฆ่าพระพุทธเจ้าสถานที่สามวางแผนให้ปล่อยช้างนาลากิริงสถานที่4ก็คือเนี่ยโลหิตห่อเนี่ยนะก็คือกลิ้งหินให้ตกสะเก็ดพระพุทธเจ้าสถานห้าต่อไปอีกก็ทําสังกเภทเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็โดยบาปล้าอย่างชานก็เสื่อมเนี่ยนะพระเทวทัตก็เลยกลายเป็นผู้ที่เสื่อมประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมเสื่อมประโยชน์มากเนี่ยนะชีวิตตอนท้ายของพระเทวทัตเนี่ยหลังจากที่ เสื่อมลาบสการะชื่อเสียงสรรเสริญเต็มที่เพื่อนเพื่อนคนสอปลอคนนั้นแหละนนะคือโกกาลิกาณนั่นแหละเอาเข่ากระทุงอกเนี่ยนะเข่ากระทุงอกก็เลยกระอักเลือดออกมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อเรียกว่าคนสอปอใกล้เคียงนึกว่าจะทําให้สําเร็จประสบความสําเร็จแล้วได้ดิบได้ดีเพราะจะต้องมั่นสํารวมแล้วก็ระวังว่าอย่าหลงประเด็นเนี่ยนะอย่าหลงประเด็นว่าเข้ามาในภาษาศาสนาเนี่ยเพื่อต้องการอะไรเนี่ยนะเพื่อต้องการอะไรต้องการลาบสการะใช่ไหม หรือหยุดอยู่แค่ลาบสการะเพียงพอไหมลาบสการะเพียงพอไหมที่จะหยุดอยู่ศีลเพียงพอไหมที่จะหยุดอยู่เฉพาะสมาธิเพียงพอไหมที่จะหยุดอยู่เฉพาะญาณทัศนะคืออภิญญาเพียงพอไหมที่จะหยุดอยู่ในฌานสมาบัติทั้งหลายบอกว่าเพียงพอไหมพออะไรถ้าหากว่าไม่เพียงพอก็อย่าประมาทต่อไป อย่าเมื่อไม่ประมาทก็ยังอะสมมยวิโมกให้สําเร็จอสมยวิโมกเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของอริยมรรคทั้งหลายโสดาปติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคในที่สุดจนเมื่อได้อรหัตตมรรคบรรลุอรหัตตผลดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายข้อที่พิสูจนนั้นจะเสื่อมจากอะสมยาวิมุตต์คืออรหัตตผลมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสคือเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเสื่อมเนี่ยนะ เพราะถ้าสำเร็จโสดาปฏิพันธ์ยังไงก็จะไม่เสื่อมจากโสดาปฏิพันธไม่เสื่อมจากสกทาคามีผลไม่เสื่อมจากอนาคามีผลไม่เสื่อมจากอารหัตผลมันเมื่อสำเร็จอรหัตผลแล้วที่จะเสื่อมมิใช่ฐานะที่จะมีได้ดูความพิสูจนทั้งหลายด้วยเหตุดังพันณน า, นา ม, มาชนีเนี่ยนะเหตุที่ที่กล่าวมายกย่องสันก็เรียกว่าแสดงมาสยุดยาวเลยเนี่ยนะว่าพระมรรค์นี้ พรหมจรรย์คือไราศาสนะพรหมจรรย์อธิศีนอธิจิตอธิปัญญาคําสอนของทั้งหมดของพระพุทธเจ้าเพื่อสอนให้เจริญศีลสมาธิปัญญานั้นไม่ใช่มีลาบสการะความสรรเสริญเป็นอนิสงส์กําไรของการรักษาศีลประพฤติ ธ, ธรรมเป็นต้นกําไรของการประพฤติดีปฏิบัติชอบในาศาสนานี้ไม่ใช่ลาบสการะและสรรเสริญเพราะฉะนั้นหรือไม่ใช่หยุดอยู่แค่ศีลนะไม่ใช่มีความถึงพร้อมด้วยศีลเป็น อ น, นิสงฆ์ไม่ใช่ถึงถึงพร้อมด้วยสมาธิเป็นอ น, นิสงฆ์ไม่ใช่ถึงพร้อมด้วยญาณทัศนะเป็นอ น, นิสงฆ์แต่พรหมจรรย์คือาศาสนาพรหมจรรย์อริยมรรคกับพรหมจรรย์นี้มีเจโตวิมุตต์อันไม่กำเริบคืออรหัตตผลเป็นประโยชน์เป็นแก่นเป็นที่สุดเนี่ยนะพระพุทธาศาสนาถือลงที่อรหัตตผลเพราะนั้อรหัตตผลถือว่าเป็นที่สุดของพรหมจรรย์ที่สุดของ พระศาสนานี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นอีตังสารังอรหัตตะมัคอรหัตตผลนี่แหละเป็นสาระของพรหมจันทร์เนี่ยนะอรหัตตผลนี่แหละเป็นที่สุดแห่งพรหมจันทร์ซึ่งไม่มีที่สุดอันใดที่จะเป็นเช่นนี้อีกแล้วถือว่าเป็นจุดสูงสุดของศาสนาพรหมจันทร์อริยมรรคพรหมจันทร์อยู่ที่อรหัตตผลนี่แหละเรียกว่าเข้าถึงไม้แก่นอย่างแท้จริงทีนี้เอาบุคคลบางคนที่บวชเข้ามาเอาได้ลาภสการะ ก็มานสิการในใจว่ายังมีศีลอีกนะที่เราต้องเจริญเอาเมื่อศีลบริบูรณ์ยังมีสมาธิที <life> <b ans oui> <t> ่ต้องเจริญต่อไปอีกนะเมื่อได้สมาธิแล้วยังมียานทัศนายังมีสมถาวิปัสสนาเคียงคู่กันไปยังมีโสดาปิมัคที่ต้องเจริญทําโสดาปิผลให้แจ้งยังมีสกทาคามิมัคต้องเจริญเพื่อทําสกทาคามิผลให้แจ้งยังมีอนาคามิมัคที่ต้องเจริญเพื่ออนาคามิผลให้แจ้งยังมีอรหัตมัคที่ต้องเจริญเพื่อ ทำอรหัตผลให้แจ้งเมื่อสำเร็จเป็นพระอาหารแล้วนั่นแหละเขาเรียกว่าถึงแก่นแท้ที่สุดแห่งพรหมจรรย์คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เป็นข้อความในสารโรประมะสูตรเนื้อหาในจูละสาโรประมะสูตรเนี่ยนะเนื้อหาจะคล้ายๆกันต่อไปเลยนะว่า